ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือเทีตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำจนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ไปจนศรัทธานี่อธิบายศรัทธาไว้ จ, จนเป็นสายยาวเหยียดเห็นวิทยาความเพียเพ้ยนเพี้ยนยังไงบ้างหรือบ้าไปจ น, จนกิ่งหนึ่งแขนงหนึ่งนี่จบเรียกว่าจะได้กันหนึ่ง นิต ก, ก็ต้องติดตามไปหรือไงมียกตัวอย่างเช่นศรัทธารยะเป็นต้นมันก็เป็นกันอนึ่แล้ว ท, ที่นิจมันก็ไม่ค่อยจะใดปรากฏดผลในขณะที่ฟังอะไรนะในครั้งพุทธการท่านแสดงธรรม ท่านฟังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือ น, นําไปข้อนําไปเป็นข้อคิดเพื่อไปพูดปฏิบัติในส่วนที่พุณปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักง ร, รมที่ท่านว่า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 คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรเรานี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆที่เรากำลังข่องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อสี่จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเฟรีีงเกียวก็หลักทมอยู่เสมอแล้วก็จะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ในสี่ข้อนี้ ก็เป็นขแขนงของข้อที่หซึ่งเป็นข้อสำคัญ 5. จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์อย่างธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัส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 ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนีแม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายก่ยกองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีมีธรรมเป็นเครื่องยึด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 นามาธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทา ง, ทงกายมีทั้งทา ง, ทงจิตใจนี่ผู้สรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจ คือว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเช่เลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเ ช, ช่เลยนั้นก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสำคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของ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 ใจไปอยู่กับโลกโลกพาจเจริญก็จเจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาจเจริญก็จเจริญสังคมพาจเจริญก็ว่าจเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกจเจริญทั้งๆ ท, ที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกหมุมอะไรอไรก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใด อันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึง่งถือเป็นความชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตาม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 จเจริญก็จเจริญแบบลอยๆแบบตามความต้องการมั่นหมายไปเฉยๆแต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมพนาจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักยึดเลยไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุจริงของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ เทนเราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาจะพ่ อ, อย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีกิจตภาวนาเป็นต้นจัดแปกต่างกันอยู่มากมายก่ายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุไรเพราะศาสนาท่าน ส, สอนหลายชั้นหลายภูมิชั้นใดควรที่จะปัปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะ ป, ปฏิบัติทำขั้นใด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 มีความดูดดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาคเพียนก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุ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 ปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตกล้าก็สู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกาเนิดของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเริดได้ด้วยบทธรรมด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบ ส, สงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้นี่ยอมเห็นได้ชัดนี่เป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องศรัทธาของจิต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 หลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามตน้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลาดับลาดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกรานกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่าเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นท่านชั้น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 สุด ท, ท้ายก็ทาบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้ง5นี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งๆนต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองแยกแยะ ก, กันได้โดยลํำดับนี่คือการสร้างที่พึ่งสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสินอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมด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 สุดท้ายก็เหลือแต่ความรู้สุกดลัวนานคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคาว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ ท, ที่ต่ำนี่ใทางที่ไม่ดียึดหมูนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติ อันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชชิ ม, มาปฏิปทาที่เป็นทางดำเนินนี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสมาธิติเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชชิ ม, มาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจ